เอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีเขาเชิญเฝ้าทูนลละอองพระบาทรับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเท พ, พ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่สามสิบสามประจำปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดระหว่างวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองณหอประชุมราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี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 ห้าเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งรายการ Rescue on Radio โดยเฉลิมรัตน้อยกลางและชลิตต่างกิติพันธ์สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม Let's call on Radio ช่วงกาชาตินิวสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงกาชาตินิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่ายินดีของส่วนติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการชัยยาโรงพยาบาลจุราลงกรสภาคกาชาติไทยที่ได้รับรังวัลเคือขายขอบอสดีเด่นประจำปี2562มาฝากกันค่ะ นั่นเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ย, ยาหรือว่า อ, อยาให้ส่วนติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นหนึ่งในแปดหน่วยงานจากทั่วประเทศค่ะที่ได้รับรางวัลเครือข่ายที่มีการดำเนิน ง, งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพดีเด่นสาขาเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประจำปี2562ค่ะโดยมีแพทย์หญิงสุชาวดีจำปางเงินผู้แทนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้ารับรางวัลดังกล่าวจากสอคลินิกกิติคุณในายแพทย์ปิยสะกสะกุลสกุลสัตยาทอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ที่ผ่านมาณโรงแรมลามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครค่ะ เภสัชกรหญิงเสชาวดีจำปาเงินกล่าวว่าศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายสำคัญที่จะให้เครือข่ายสถานพยาบาลทุกแห่งมีการส่งข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเข้าไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางและข้อมูลหลักขั้นพื้นฐานของประเทศค่ะ และจัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่เครือข่ายที่มีการเดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพคอมสอดีเด่นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อกระตุ้นให้สถานพยาบาลเดำเนินการและส่งข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเข้าไปในระบบอย่างมีมาตรฐาน สำหรับรางวัลที่ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ได้รับในปีนี้นะคะเป็นรางวัลในสาขาเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นโดยศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประเมินผลรายงานที่ได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลของศูนย์ระหว่างปีงบประมาณที่มีคุณภาพตั้งแต่เกรดหนึ่งขึ้นไปค่ะ และระยะเวลาตั้งแต่วันที่รายงานถึงวันที่ศูนย์ได้รับและบันทึกในฐานข้อมูลไม่เกินหนึ่งปีพร้อมฐานจับประเมยย้อนไปถึงการดำเนินงานของสถานพยาบาลแต่ละแหง่งในช่วงระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมาค่ะถ่ายใต้เกณฑ์นชี้วัดและน้ำหนักที่ใช้ในการประเมินซึ่งประกอบด้วยจำนวนรายงานยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณภาพรายงานห้าสิบเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาที่ส่งรายงานยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์และสัดส่วนรายงานที่รายละเอียดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ ผลการประเมินนะคะปรากฏว่าศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยได้รับคะแนนประเมินในระดับ 4.9 ค่ะจากคะแนนเต็ม5จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล น, นี้ค่ะความสำเร็จในครั้งนี้นะคะมาจากการทำงานร่วมกันของสหาสาขาวิชาชีพที่ไม่อาจขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือว่าเภสัชกรค่คะ ในกรณีที่แพทย์หรือพยาบาลนะคะพบผู้ป่วยสงสัยว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแพทย์และพยาบาลจะส่งข้อมูลมายังศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเพื่อให้ประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุเกิดจากการใช้ยาหรือไม่ค่ะ รวมถึงหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานะคะกรณีประเมิอนแล้วว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่สามารถป้องกันได้และสุดท้ายสูงติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาก็จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและจัดทำเป็นรายงานเพื่อส่งไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมาการอาหารและยาค่ะ อันนี้นำมาบอกเล่าให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งทำให้ได้รับรางวัล น, นี้มาค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในช่วงสนทนาวรอบรัวค่ะรายการรีสคอร์ดออนเรดิโอ สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวันตกรรมไม่มีใครยังไงก็มีเธอสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน h e r e day to judge and contend. んときゃんふがいだい。かんしんぬん、いまだんか Pambra, and you to m e e e y o u ออนเรดิโอช่วงสนทนารอบรั้วช่วงสนทนารอบรั้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีด้านวิสัญญีค่ะที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศค่ะ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าการรมยาสลบท น, นอันตรายอย่างมากค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถจะทราบได้เลยนะคะว่าผู้ป่วยจะมีอาการแพ้หรือไม่อาการแพ้ร้ายแรงที่สุดถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะดังนั้นหากไม่จำเป็นทางวิสัญญีแพทย์ก็จะไม่ใช้ยาสลบทให้แก่ผู้ป่วยเด็ดขาดนะคะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะซึ่งมีการพัฒนาการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวและแบบเฉพาะส่วนด้วยมาตรฐานและก็ความปลอดภัยในระดับที่สูงนะคะและก็นำเทคโนโลยีด้านวิศวะที่ทันสมัยมาใช้งานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่สูงขึ้นค่ะโดยจะทำการผ่าตัดตรงไหนก็จะใช้ตัวยานะคะที่ทำให้มึนแล้วใช้ยาระงับความรู้สึกหรือว่ายาชาเฉพาะส่วนจะอันตรายน้อยกว่าการลมยาให้สลบไปเลยค่ะ ศาสตราจารย์ในแพทย์สมร จ, จารุรักษนานันหัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้กล่าวว่าโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ต้นแบบในการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนจึงมีการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและด้านเทคโนโลยีในด้านบุคลากรโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์มีการผลิตวิสัญญีแพทย์และต่อยอดเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาผู้ป่วยค่ะเช่นวิสัญญีแพทย์ด้าน การรังงับปวดเวทบำบัดวิกริตหรือสัญญีแพทย์สำหรับผู้ป่วยพาตัดโรคหัวใจและวิสัญญีแพทย์สำหรับผู้ป่วยเด็กข่า ส่วนด้านเทคโนโลยีนั้นนะคะฝ่ายวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลสุราษฎร์กรดก็ได้นำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาสื่อความเป็นเลิศในแต่ละหน่วยย่อยซึ่งเครื่องมือทันสมัยที่นำมาใช้นะคะก็ได้แก่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แมคดิโคลเรคคอร์สหรือว่าเครื่องมือบันทึกทางวิสัญญีแพทย์ซึ่งเครื่องนี้ค่ะจะแสดงค่าที่สำคัญต่างๆของผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตชีพจรรวมถึงจะเก็บข้อมูลของผู้ป่วยในห้องผ่าตัด ไว้และจะส่งข้อมูลไปยังห้องสำคัญต่า ง, างๆเช่นห้องพักฟื้นผู้ป่วยและสำนักงานฝ่ายวิสัญญีวิทยานะคะเพื่อให้แพทย์อาวุโสค่ะสามารถเห็นข้อมูลของผู้ป่วยในห้องผ่าตัดแม้ไม่ได้อยู่ในห้องผ่าตัดค่ะ ซึ่งโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์นะคะเป็นต้นแบบที่มีระบบ E.M.R ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะมีเครื่องให้ยาระ ง, งับความรู้สึกนอกจากนี้นะคะยังฝึกให้แพทย์ได้เรียนรู้และก็สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างหลากหลายซึ่งเครื่อง E.M.R นี้นะคะมีความแม่นยำข้อมูลที่บันทึกเป็นข้อมูลตามความเป็นจริงค่ะดังนั้นเมื่อเห็นข้อมูลว่าผู้ป่วยเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นความดันโลหิตลดต่ำลงแพทย์ที่อยู่นอกห้องผ่าตัดก็สามารถรีบเข้าไปช่วยเหลือแพทย์ที่กำลังเฝ้าระวังได้ทัน นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครื่องมือเฝ้าระวังระบบหัวใจและความดันโลหิตซึ่งจะแสดงเป็นรูปจำลองการไหลายเวียนโลหิตของหัวใจและแสดงค่าสำคัญต่างๆที่บอกว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะใดและต้องการความช่วยเหลือใดเช่นผู้ป่วยต้องการยาขยายหลอดเลือดหรือยาที่ทำให้เส้นเลือดหดตัวค่ะ รวมถึงเครื่องมืออื่นๆนะคะเช่นเครื่องวิดีทัชช่วยในการสอดท่อช่วยหายใจเครื่องมือวัดความหย่อนคลายของกล้ามเนื้อและยังนำเครื่องอันตระสาวนะคะมาใช้งานวิสัญญีแพทย์สำหรับใช้ในการแทงเส้นเลือดต่างๆในภาวะวิกฤตหรือการผ่าตัดใหญ่การฉีดระงับความปวดที่เส้นประสาทและการใช้สำหรับระบบหายใจอีกด้วยค่ะ อีกทางนะคะยังมีงานวิจัยความปลอดภัยของผู้ป่วยค่ะซึ่งเพราะว่าในประเทศไทยนะคะมีความปลอดภัยในการใช้งานระงับความรู้สึกอยู่ในระดับดีและยังพบว่าในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะมีอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากการแพ้ยายสลบลดลงร้อยละห้าสิบและมีจำนวนผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจลำบากลดลงถึงร้อยละห้าสิบอีกด้วยค่ะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังรองรับผู้ป่วยรายที่ยากต่อการผ่าตัดนะคะเช่นผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่การให้ยาระงรับความรู้สึกจึงต้องเป็นไปอย่างเฉพาะเจาะจงและก็เหมาะสมนะคะจะเห็นได้ว่าการให้ยาระงรับความรู้สึกนั้นมีผลอย่างมากต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วยค่ะหากให้ยาอย่างเหมาะสมผู้ป่วยไม่เพียงแค่ฟื้นจากการผ่าตัดเท่านั้นแต่ยังสามารถปรับตัวแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติด้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะ ได้ยินแบบนี้แล้วอุ่นใจขึ้นมาเลยนะคะเพราะทุกครั้งที่เราผ่าตัดค่ะเราจำเป็นต้องเซ็นเอกสารรับความเสี่ยงในการผ่าตัดในแต่ละครั้งและถ้ามีการพัฒนาในการใช้ยาและเทคโนโลยีอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะทำให้เราปลอดภัยและอุ่นใจขึ้นเยอะค่ะพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะรายการ Restcord on Radio สนับสนุนรายการโดยสำนักษารณิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยายลายเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาวุรีมหาวิทยายลายนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รู้สึกว่ามีはนึ่งคนอยู่เคียงข้างกันแม้た่าตัวฉันจะにป็นเช่นไรเなอคしอความหせายい。องทุกลมหายใจในวたนนี้。 นหนงเดยวท่าチナンカナイトラッタミータカンディオトナンメワチヤンチプリンパンパウダイシャンメンチヤンメンダムメワチカタライトラッタミータカンディオトナン オーワーあィションプラー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 メイワチンใจฉันมันจะยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรจะรักเธอมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้น 何 ธอ เอสคอร์ดออนเรดิโอช่วงความรู้คู่สุขภาพกลับเข้าสู่ช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสมองด้วยแปะกวุ้ย DHA และเลซิตินมาฝากค่ะ Smoak เป็นอวยาวะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการดำเนื้อชีวิตทั้งนี้เรื่องของสติปัญญาความคิดความจำการเรียนรู้ความสามารถในการทำงานและการตัดสินใจซึ่ง Smoak จะมีการเติบโตแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื้อเรื่อยมาค่ะจนถึงอายุ25ปีและก็จะเริ่มเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ สมองเสื่อมนะคะเป็นภาวะที่มีการทำงานของสมองเสื่อมลงนะคะทำให้สูญเสียความจำการเรียนรู้การใช้ภาษากระบวนการการแก้ไขปัญหาต่างๆบกพร่องค่ะจนมีผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันโดยสาเหตุหลักๆของการเกิดภาวะสมองเสื่อมนะคะมีสองสาเหตุด้วยกันค่ะคือโรคอัลไซเมอร์นะคะเกิดจากอนุมูลอิสระทำลายเซลล์สมองเกิดการสะสมของโปรตีนจับกันเป็นก้อนในเนื้อสมองนะคะทำให้เซลล์สมองเนี่ยไม่สามารถ รับส่งกระแสะประสาทได้ดีดังเดิมนะคะซึ่งเกิดปัญหาเรื่องของการเรียนรู้การจำการแก้ไขปัญหาต่างๆสูญเสียไปและเซลล์สมองเสื่อมในที่สุดค่ะ และความผิดปกติของหลอดเลือดที่เป็นเลี้ยงสมองไม่พอเช่นโรคความดันโลงหิตสูงโรคหลอดเลือดตีบส่งผลให้ไม่สามารถนำอาหารและก็ออกซิเจนไปนเลี้ยงสมองได้เพียงพอนะคะทำให้เซลล์สมองขาดเลือดไปเลี้ยงสมองส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมลงและก็ตายในงที่สุดเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะสมองเสื่อมค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีสารอาหารอยีกหนึ่งชนิดที่สามารถบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือสารสกัดจากใบแปะก๊วยค่ะที่ช่วยป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมได้ค่ะสารสกัดจากแปะก๊วยค่ะเป็นพืชสมุนไพรที่มีการใช้กันมานานมีผลการศึกษาวิจัยมามากมายที่เกล่าวถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดจากใบแปะก๊วยโดยเฉพาะเรื่องป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมค่ะ อีกทั้งยังเป็นสารต้านอนุ ม, มูลอิสาระที่ช่วยปกป้องเซลล์สมองจากอนุ ม, มูลอิสระนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาะวะสมองเสื่อมได้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดส่งผลให้นำพาออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงสมองและก็ส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นและอยัางช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งต่อต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดจึงช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดนะคะซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาะวะสมองเสื่อมค่ะ ประสิทธิภาพของสารสกัดใบแปะก๊วยที่มีต่อสมองคือช่วยบรรเทาอาการและชะลอความเสื่อมของสมองได้เพิ่มความจำความคิดและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมฟื้นฟูความทรงจำและการเรียนรู้ในตัวผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกทั้งอยัางป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะสารส ก, กัดจากใบแปะก๊วยยังมีคุณค่าในด้านอื่นอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการรักษาอาการหูอื้อวิงเวียนศีรษะอีกทั้งยังมี DHA ที่ช่วยฟื้นฟูป้องกันสมองเสื่อมซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งต่อการพัฒนาสมองนะคะช่วยเสริอมสร้างการเรียนรู้พัฒนาการของสมองฟื้นฟูเซลล์สมองและป้องกันความเสื่อมของสมองได้ค่ะ และเลซิตินนะคะเป็นสารที่มีความจำเป็นต่อเซลล์ทุกชนิดในร่างกายโดยเฉพาะเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อหุ้มสมองและเซลล์ประสาทค่ะจึงจัดในว่าเลซิตินนะคะเป็นสารที่มีความสำคัญต่อสมองอย่างยิ่ง สารสำคัญที่พบในเลซิตินนะคะก็คือฟอสฟอร์ติดีโครินนะคะซึ่งเป็นสารที่ให้โครินอันเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสื่อประสาทที่เรียกว่าอะเซตินโครินซึ่งจะช่วยในการส่งข้อมูลต่างๆระหว่างเซลประสาทและสมองสำหรับการส่งงานไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและอยัางช่วยให้สมองมีการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นค่ะเลซิตินซึ่งมีบทบาทในการพัฒนานด้านการเรียนรู้และความจำค่ะ เทคนิคการดูแลสมองง่ายๆสำหรับผู้สูงอายุนะคะคือการรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติหากความดันโลหิตต่ำมากเกินไปนะคะก็อาจจะมีผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอควบคุมน้ำหนักตัวลดอาหารที่มีไขมันสูงทานอาหารที่มีกหญเากใยออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถควบคุมน้ำหนักตัวได้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ผ่อนคลายความเครียสสงบจิตใจทำอารมณ์ให้แจ่มใสค่ะ เทคนิคการดูแลสมองสำหรับคนไวัยทำงานนะคะนั่นก็คือหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอฝึกหายใจให้ถูกวิธีโดยการหายใจเข้าและออกช้าๆลึกๆจะช่วยพัฒนาสมองได้ค่ะรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำเพื่อร่างกายจะได้มีพลังงานในการทำงานค่ะ ดื่มน้ำสะอาดให้มากนะคะและควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่หาวิธีพักผ่อนหลังจากทำงานหนักเพราะจะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้คิดในเรื่องที่ดีดีและหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อเป็นการพัฒนาสมองที่ดีค่ะ เพียงแค่นี้คุณผู้ฟังนะคะก็สามารถห่างไกลจากโรคสมองเสื่อมกันได้แล้วละคะ่ะและที่สำคัญที่สุดต้องอย่าลืมหมั่นออกกำลังกายด้วยนะคะพอต่อให้เรานะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากเพียงใดแต่ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะก็จะส่งผลต่อร่างกายไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและก็ยังเสี่ยงต่อโรคอื่นๆอีกอยู่ดีค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ